วิธีที่ผมจะนํามาพูดในขณะนี้เพื่อทำให้เขาใจกับพวกเราคือให้มีสติให้มีสติพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเรื่องมีสติเท่านั้นสิ่งอื่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สนรเสริญเท่าไหร่เพราะว่ามันดับทุกไม่ได้ความจริงแล้วความโกรธความโลภความหลงนั้นมันไม่ต้องมีเมื่อเราจะหาความโกรธความโลภความหลงจะไปหาที่ไหน เพราะมันไม่มีสมุติฐานมัน ม, มันไม่มีต้นเหตุมันไม่มีอะไรทั้งหมดเลยสมุติฐานต้นเหตุที่ทําให้ข่มโกรธว่มโลภข่มหลงเกิดขึ้นคือเราขาดสติเท่านั้นเ <_ S 1> มื่อเรามีสติแล้วข่มโกรธว่มโลภข่มหลงไม่ต้องมีดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งจิงสอนให้เราจเจริญสติคนขาดสติลงไป วินาทีหนึ่งก็ตามห้านาทีก็ตามชั่วโมงหนึ่งก็ตามสามารถทำให้เราเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้เป็นสัตว์เวลาสารก็ได้เป็นผีก็ได้นั่นเป็นอย่างไรดังนั้นคนใดที่ลืมตัวลงไปขณะหนึ่งนั้นเรียกว่าคนว่าคนไม่มีสติคนไม่มีสตินั้น ท่านมาเรียบอุปมาอุปมาว่าเหมือนกับคนตายแต่ไม่ใช่ตายหมดลมหายใจแนะตายจากคุณลีพ น, นามมันเนา่ามันเหม็นเหมือนกับอุจจาระไล่ไปผู้อุจละอีกด้วยคนไม่มีสติเนี่สามารถพูดได้ทําได้คิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดผิดไปตามอารมณ์ตัวเองมือนั้นการคน มีสตินั้นสามารถทำให้เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพระเรียบุคคลก็ยังได้คนไดมีสตินั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสนับสนุนว่าเราคนหนึ่งถือพุทธศาสนาหรือเข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าดัางนั้นจึงว่ารู้จำรู้จักรู้แจ้งรู้จริง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 จะไปหาสมุทฐานมันได้ที่ตรงไหนเพราะมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีที่เกิดเรามองไม่เห็นเมื่อเราขาดสติแล้วมันก็เกิดขึ้นมา ท, าทันทีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามีสติควบคุมเอาไว้เมื่อมีสติแล้วมันสามารถบงังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นการพูดโดยวิธีทำนะ่ะทำอย่างไร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 เติบโตขึ้นมาก็หาของเล่นมองของเล่นเมื่อใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มองคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยคนนั้นรวยคนนี้จนเมื่อเป็นพ่อบ้านแม่เลี้ยมาแล้วก็มองถึงลูกถึงหลานมองถึงไรนาอะไรต่างๆที่ประาอันนี้เรื่อคนลื่นตัวแบบนี้วิธีที่ทําง่ายๆอย่างลัดดับ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 คำว่ใจนี่มันไม่มีตนไม่มีตัวเราจะไปมองมาหัวใจนี่มันมันมองไม่ได้คือสําหรับจิตใจที่มันตากรดมันนึกมันคิดขึ้นมานั้นสาบซานอยู่ทั่วตัวมันอยู่ที่ตัวไหนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเพียงเรามีสติมากําหนดความคิดมันคิดขึ้นมา